แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าจุดหมายคือความสุขทำงานหนักเพื่อที่จะได้มีเงินมีชื่อเสียงมีฐานะอันนี้ก็เพราะเชื่อว่ามันจะพาให้เราพบว ก, กวับความสุขได้แต่ความสุขที่พวกเรา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 ให้พองโตเจ่นคำชื่นชมสรารเสริญนะชื่อเสียงกิติยศพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทำให้เกิดความรอร่อยทางเนื้อหนังนะหรือว่าเกิดความสุขทางกายแต่มันก็ ทำให้จิตใจเราพองโตแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งจะมีความสุขประเภทหนึ่งนะที่วพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นั่นก็คือความสงบนะหลายคน มีอายุมาถึงปานนี้เนะี่ยผ่านโลกมามากทำงานจนกเกษียณเคยถามตัวเองมากหรือเปล่าว่าได้รู้จักได้สัมผัสกับความสงบพียงไมอาจจะเคยได้ไปเที่ยวนะไปไกลถึงต่างประเทศ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 แม้จะยังไม่หมดนะแต่ก็มากมายจะเคยได้รู้จักได้สัมผัสกับความสงบบ้างหรือเปล่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะแทบจะไม่ได้รู้จักเลยนะให้ความสงบเนี่ยถ้าไม่ได้สัมผัสได้ไม่ได้เจอเจอนี่ก็ถือว่าขาดสิ่งสําคัญบางอย่างนะ ไปจากชีวิตเนี่ยเรียกว่าไม่คุ้มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยก็ว่าได้บางทีเรเรียกว่าเออสียชีที่เกิดมาก็ได้นะถ้าว่าเราไม่ได้รู้จักกับความสงบเลยหลายคนคิดว่าเนี่ยชวยจะมีความสุขได้นะก็ต้อง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 เพราะในโซลึกของจิตใจเนี่ยทุกคนนะนะย่อมปรารถนาความสงบเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีมีความทุกข์เฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการเช่นหาอาหารมาใส่ท้องมีที่ที่จะหลบภัยมีหลังคาคุ้มหัว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 แล้วก็เริ่มแสวงหาถ้าไม่ได้ความสงบมันก็จะเกิดความรู้สึกว้าวุ่นนะหรือเกิดความรู้สึกพร่องในใจมันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะจากชีวิตแต่ว่าคนจนไม่น้อยเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้มาถามใจตัวเองหรือไม่ค่อยได้ดูจิตใจก็คิดว่าอะไรที่มัน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 มันมีบางอย่างที่ยังไม่สมปรารถนาก็ยังคิดเปกว่าเออเรายังมีไม่พอนะนทั้งที่ก็มีมาแล้วร้อยล้านพันล้านแต่ความรู้สึกโวงเวงรู้สึกความรู้สึกโหยหาข้างในเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะเรายังมีน้อยไปนะก็เลยต้องไปดิ้นหล่นหามาอีกแต่หามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าความรู้สึกพร่องโวงเว ง, วงนี่มันมันหมดไปสักที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 แทบจะไม่มีเลยคือความสงบหลายคนเนี่ยมาพบว่าตัวเองนะปรารถนาหรือต้องการสิ่งนี้เนี่ยก็ตอนที่ได้มานะมาวัดเนี่ยหลายคนเนี่ยพอมาที่นี่เนี่ยนะประโยค์แรกที่เขาพูดก็คือว่าโอ้ที่นี่สงบนะเขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะได้มา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 คนไทยเองตัวไม่น้อยก็เดินทางไปหาความสงบที่อินเดียคนจี น, นที่มาบวชเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือชีพุก น, นี้ก็มีฐานะดีนะมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมายแต่มาถึงนี่เนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมา ก, ก็ปรารถนาความสงบ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 เช็นอุทยานนะความสงบภายในคือความสงบในจิตใจคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะก็คิดว่าเนี่ยข้างในมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องได้มาอยู่ที่ที่สงบสงดัดนะถ้าได้มาอยู่ในถ้าได้มาสัมผัสกับความสงบภายนอกนะความสงบทางกายภาพ แล้วจะได้รู้จักสัมผัสกับความสงบภายในถึงต้องมามาอยู่ป่านะสาวัิก็ต้องออกไปเขาใหญ่บ้างนะไปผูกระดึงบ้างนะไปเที่ยวทะเลบ้างเพราะว่าจะได้สัมผัสกับความสงบภายในแต่บางทีก็ไม่เจอนะมาอยู่วัดป่าหรืออยู่ป่านี่มันไม่ใช่ว่า ข้างในใจจะสงบเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงมอตอร์ไซ์ไม่มีเสียงอื่นก็ทึบคือกโคมแต่ว่าจิตใจก็ยังวาวุ่นนะความสงบในจิตใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเกิดว่าจิตใจนียังนะว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือว่า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 ความฟุ้งซ่านนะจนกระทั่งรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจและอุทจักกุจกจักนะความโกรธเคืองขุนเคืองพยาบาทความอยากนะความอยากที่จะเสพนะวัตถุเรียกว่ากามชันทะนะหรือเรียกอย่างก็ตัณหาความรังเลสงสัยเนะี่ยไอพวกนี้พอมันเกิดขึ้นมา ใจก็จะไม่สงบแล้วส่วนทีนมิตาความง่วงนี่เออมันอาจจะไม่ค่อยรบ ก, กวนเท่าไหร่เพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยากจะนอนอย่างเดียวไม่ค่อยอยากจะทำอะไรให้ความคิดและอารมณ์ที่มารบ ก, กว น, นจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นคำถามนะที่ทำให้ผู้คน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 ความรู้สึกผิดความวิตกกังวลไม่มีใครชอบนะแต่พอมันเกิดขึ้นในจิตใจ mm hmm. ก็หวงแหนอารมณ์เหล่านั้น mm hmm. เวลาเศร้าเนี่ย mm hmm. ก็อยากนั่งเจ้าจุกใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่อยากไปจะขนนั่งอยู่เงี้ยเวลาโกรธเนี่ยใครมาแนะนำว่าให้อภัยเถิด ก็ไม่ยอมบางทีไม่พอใจคนที่มาแนะนำนี้ซะอีกนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยแม่เป็นคนเจ้าอารมณ์มากที่จริงก็ไม่เชิง น, น, นะแต่ว่าโกรธเวลานึกถึงใครบางคนเป็นมายี่สบสามสิปีแล้วลูกแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะแม่นี่กับโกรธลูกเสมือนกับว่าลูกนี่กำลังจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่ ลูกไม่ได้ไปแย่งเอาทรัพย์สมบัติไปจากแม่ไม่ได้อาเพชรเอาพลอยไม่ได้เอาชวนลดที่ดินไปแค่ขอให้แม่เนี่ยให้อภัยมันจะได้หายโกรธแต่ว่าเพราะความหวงแหนเนี่ยหวงแหนความโกรธอยากจะโกรธต่อไปความโกรธนี่มันบงการละให้รักษาให้ทนุถนอมมันเอาไว้ก็เลย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 ชื่อเสียงเกียรติยศนะอันนี้มันให้ความสุขกับเราการที่ไปยึดมันก็มีเหตุผลแต่ที่จริงมันก็เต็มไปได้วยโทษนะแต่ที่มันไม่น่มันไม่มีเหตุผลเลยคือไปยึดไอ้สิ่งที่ไม่ไม่ให้ความสุขกับเราแถมทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยนะทำไมถึงยึดมันนะ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 มาส่งเสียงดังรบกวนเราแต่ว่าเวลานั่งนานๆ น, นอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านั่งที่ศาลา น, นี่นานๆเป็นชั่วโมงความสงบในใจนี่อาจจะหาไม่ได้เลยเพราะมันปวดเมื่อย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 ที่ยาวถึงสิบวันนั่งทั้งวันเลยนะไม่เหมือนกับที่นี่ที่นี่ยังมีนั่งบ้างเดินบ้างครูบาอาจารย์ก็ต้องการจะให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้เห็นเวทนาโดยเพราะทุกขเวทนาแต่ถ้าดูไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเกิดความเจ็บปวดมากแล้วก็จิตใจก็ร้อนรุ่ม เื่อนคนนี้ก็กเหมือนกันนะเขานั่งไปเป็นชั่วโมงก็ปวดเมื่อยมากนะเมื่ อ, อยจนกระปวดจนกระทั่งว่ากระดูกมันนะแทบจะหักเลยก็ได้ในความรู้สึกของเขาถ้านั่งต่อไปนี่ฉันคงแยน่แน่มันบนวอยนะอยู่ข้างในใจเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็พยายามหา อะไรหาธรรมะมากด ข, ข่มขันติบ้างความอดทนบ้างนะสมาธิบ้างแต่ว่ามันก็เจองหมดเลยยิ่งทาก็ยิ่งทุกข์นะจนกงทั่งมันมีความสึงหนึ่งเกิดขึ้นว่าเนี่ยถ้าทานั่งอย่างนี้ต่อไปฉันตายแน่ mm hmm. พอคิดบบนีเขาโอ้ยิ่งแย่ยหเลย mm hmm. ก็ดูมันจะ หลจากกันให้ได้แต่จูจ่ๆมก็มีความคิดหนึ่งแวบกขึ้นมาว่าเออถ้าตายก็ตายตายก็ตายพอคิดแบบนี้เข้านี้มันโล่งเลยนะไอความว้าวุ่นในจิตใจมันสงบเลยความรุนรอนนี่หายไปและความปวดที่รู้สึกมันทนไม่ได้ทนไม่ไ ด, ทไได้ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเลย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 เป็นทะเลสาบบนภูเขาซึ่งแวดล้อ ม, มด้วยหิมะสูงมากนะประมาณ 4,000 เมตรพอไปถึงเนี่ยนะเกิดอาการนะเพราะว่ามั น, มนสูงมากอากาศเบาบางปวดหัวหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ค่อยออกขณะลงมาแล้วเนี่ยมาที่ความสูงประมาณ 3,000 กว่าเมตร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 พยาามี่จมองบวกเอาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี่มามันก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคนที่จะขาดใจนี่มันมันทรมานมากทำยังไงก็ไม่ไหวจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นอาการทางกายก็แย่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสุข ม, มันไม่ไหวแล้วก็บอกว่าตายก็ตาย พอปรงใจแบบนี้นะบอกว่าใจนี่มันที่มันทุรนทุรายนี่มันสงบเลยนะแล้วก็เริ่มที่จะหายใจได้หายใจได้ดีขึ้นหายใจยังติดขัด น, นะแต่ว่าพอไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจไม่กลัวการหายใจเนี่ยลมหายใจที่แม้จะน้อยเพียงใดนี่มันก็พอพอที่จ ะ, ะทำให้ร่างกายนี่มั น, มนอยู่ได้ แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทงการหายใจก็เริ่มสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เขานะมีความทุกขนะ์ร้อนรุ่มในจิตใจมีความทรมานมากนะเหตุผลก็คือใจนีมน่มันไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทันทีที่ใจยอมรับได้นี่มันสงบเลย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 คนเราเนี่ยถ้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเลวร้วายเพียงใดเนี่ยแต่ความสงบก็จะเกิดขึ้นไได้ไม่ยากนะีแม้กระทั่งนะความตายมีเพื่อนคนหนึ่งนะไปเล่นน้าที่ระยองไหวยน้ำไปไหว้ไปไหว้มาปรากว่าถูกน้ำเนี่ยถูกคลื่นเนี่ย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 ก็จะตกใจพี่นนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะเพียร์ไหา้เข้าฟังแต่วหายเท่าไหร่ไเท่าไหร่ก็ก็ยังทุกขสู้กระแส น, น้ำไม่ได้ว่ายวๆหก็ยังไม่ไปไหนห่างไกอจากฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแรงพอหมดแรงเนี่ยนะ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 สงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคลื่นนะซัด ต, ตัวเนี่ยเข้าสู่ฝั่งก็เลยรู้ว่าตอนนั้นนะหลุดหลุดไปจากกระแสน้ำแล้วหรือว่ากระแสน้ํามันอ่อนแรงพอลู้่างนี้เก็เลยรวบรวกําลังนะพยายามว่ายเข้าฝั่งเพื่อนเน่ยซึ่งอยู่ในเหตซึ่งเหนเหตุการณ์เนี่ยซึ่งพยายามช่วยเขาตั้งแต่แรกแต่ช่วยไม่ได้ พอร่วงเนี่ยเขากำลังไหว้ข้าฝฟ่งก็เลยน่ะไหว้ไปหาแล้วก็พยุงเขาเนี่ยกลับเข้าฝั่างก็เลยมารู้ตอนหลังว่าตรงนั้นเนี่ยนะมันมีคนตายเยอะตายเยอะเพราะว่าหมดแรงที่หมดแรงก็เพราะว่าพยายามไหว้ฝืนทวนกระแสน้ำแต่ทั้งที่สู้ไม่ไหวก็ยังไม่หยุดไหว้เพราะตื่นตโนกขาดสติมากเลย กลัวฉันจะตายล ห, หรือเนี่ยไม่ได้ฉันตายไม่ได้ก็พยายามที่จะว่ายสู้กระแสน้ำแต่น้ำมันแรงมากเขาไม่รู้เนี่ยถ้าเขาว่ายนะว่ายขนานกับขนานกับฝั่งก็จะหลุดจากกระแสน้ำนั้น เ, เพราะกระแสน้ำมันเป็นแท่งนะแท่งแท่งที่ไม่ไ ม, ไม่กว้างนะักอาจะสัก15บห้าเมตรยี่สิเมตรนะ ถ้าแทนที่หว้เข้าฝังก็ว่า้ขนานกับฝั่งนี่ก็จะหลุดแล้วก็จะรอดแต่ส่วนใหญ่ด้วยความตื่นตระหนกพอตื่นตระหนกแล้วเนี่ยขาดสติไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าไหร่แต่พี่หญิงคนนี้เนี่ยแกก็ไมไ่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าไหว้ขนานกับฝั่งจะรอดแต่รู้แต่ว่าเนี่ยในเมื่อจะตายแล้วเนี่ยก็ยอมตายนะพอยอมตายวกใจมันสงบเลย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 เจ็บป่วยก็เหมือนกันเป็นมะเร็งที่แล้วก็ตื่นตหนกตกใจเพราะว่ายัางหวงยังแหนในร่างกายนี้ยังยึดติดวเนี่ยเราต้องมีสุขภาพดีหรือบางทีนึกถึงความตายมันใจมันทุรนทุรายแต่ทันทีที่ยอมรับได้เออนะใจมันสงบเลยการที่เรามาเรียนรู้เรื่องความทุกเนี่ยนะอย่างที่เราสวดกันทุกเชา้าทุกเช้าเนี่ยมีพูดเรื่องความทุกเยอะเลยไม่ใช่เพื่อให้เรา รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมันเต็มไปได้วยทุกข์นะแล้วทำให้ใจหดหูนะแต่เพื่อให้เรารู้ว่าเออมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นความจริงที่เราควรยอมรับอพอเรายอมรับได้เนี่ยเจอทุกข์อะไรเนี่ยมันก็ไม่ว้าวุ่นร้อนรุ่มกระสับกระส่ายยิ่งพวกเราเนี่ยอยู่ใน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 อันนี้แหละคือสิ่งนะที่คนที่สูงวัยเนี่ยเขาจะก็จะได้เปรียบกว่ากับคนวัยอื่นเพราะเขาผ่านโรมอะมากเขาก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาได้มากขึ้นนะความล้มเหลวก็เป็นธรรมดาอุปสรรคก็เป็นธรรมดาคนพูดจาไม่นานแล้ ก, ก็ธรรมดานะเจ็บป่วยก็ธรรมดาพอเห็นว่าเป็นธรรมดาใจามันก็ไม่ไม่ผักใสไม่โวยวายไม่บน่น ไม่อดครุ่นด้นนั่นแหละนะความสงกบก็จะเกิดขึ้นได้กับใจของเราอันนี้แหละคือความสุขนะที่เราสามารถจะพบได้นะไม่ใช่ที่ไหนไม่ต้องมาถึงวัดไม่ต้องไปไปป่านะไปค้างแรมในป่าเราพบได้ที่ใจของเรานะเพียงแต่เรารู้จักการอยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นช้าเนี้ยเพิ่กันเท่านี้นะกราบครับ ลงส ม, มาสัมบุธโธภาวาพุทธังภาคกวันตาอภิวาเทมสวากาโตภคกวาตาธัมโมผังนังรมสามสุมสปฏิปันโนภาคกวัตโตสาวกสังโกสังคงังนาม